นี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นรู ป, ปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาแล้วว่ากิเลส ท, ที่ทรงใช้คำว่าสังโยชน์ซึ่งแปลว่าสิ่งที่ผูกมัดใจิตใจของคนเอาไว้เป็นอาการที่ปรากฏอยู่ในภายในจิตของบุคคล ไม่ถึงก็ออกมาจนเป็นเหตุให้ทำทุจริตทางกายกับทางวาจาในการปฏิบัติส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การบรรเทาไม่จริงของเราเป็นเดี่ยวนึกฝึกนึกเพื่อจะเพิ่มปริมาณของกิเลสให้สูงขึ้นในการปฏิบัติจึงมีทั้งระดับของการสำรวจระวังปิดกั้นกระแสของกิเลส เวลาเราเห็นรูปโดยตาเป็นต้นซึ่งกระทบแล้วปริมาณของกิเลสจะเพิ่มขึ้นปริมาณของความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นก็าทรงสอนไว้ในรูปของการสารวมระวังโดยการทำใจกับตัวเองไม่ให้เกิดความยิน ด, ดียินร้ามากเกินไป การทำใจได้เช่นนี้ก็ต้องอาศัยใจที่มีสติมีสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องและจะต้องมีความเพียรทางจิตที่เข้าสนับสนุนธรรมะทั้ง3ข้อนี้จึงเป็นธรรมะที่ต้องใช้ในกิจกรรมทั้งปวงแม้เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเพียงแต่ปริมาณที่ต้องใช้และจังหวะในการใช้ แม้จะไม่มากก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่ในเรื่องมโนจิตใจจิตใจนั้นไปได้เร็วคิดได้เร็วเกิด ค, ความยินดียินร้ายได้เร็วหากว่าสติสัมปชัญญะไม่มีกำลังมากพอมันก็ปิดกั้นกระแสกิเลสในจุดนี้ไม่ได้เมื่อปิดไม่ได้ปริมาณของกิเลสมันก็เพิ่มขึ้น ท่ามกาการของสังโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนั้นมันก็กลายเป็นนิวรณคือการจิตซึ่งต่างหากเรคุมระดับนิวรณ์ไม่ได้อีกมันก็ออกมาในความเป็นทุจริตทางกายทางวัจัอาจจะรุนแรงมากรุนแรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับกําลังของกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆัเพื่องการปฏิบัติในรูปของการบันเทา ซึ่งไม่ถึงกับการลดละหรือทำลายไปเลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากรับหนึ่งก็ส่งสอนในรูปของการบรรเทาได้บุคคลได้ใช้ปัญญาพิพพนิษฐพิจารณาแล้วบรรเทาความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาความต้องรู้จักตัวเองชัดเจนขึ้นต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองชัดเจนขึ้น อารมณ์ใดที่ประกอบด้วยกิเลสก็ต้องรู้ประจักษ์ชัดในขณะนั้นเพราะกิเลสเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขกิเลสเหล่านี้ได้อย่างไรในกลุ่มของโมหะสามข้อคือความเห็นเป็นถือตัวถือตนที่เราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาพูดง่ายๆว่ามีเรามีเขานั้น ในชั้นแรกสิ่งที่ต้องใช้ก็คือปัญญาเป็นหลักหรือตัวสัมปชัญญะนั่นเองเป็นหลักพิจารณาในแง่ของความจริงในส่วนนี้ในตอนแรกพระคงต้องรับความเป็นเราเป็นเขาไปก่อนแต่ก็สำรวมระวังไม่ทำอะไรให้เป็นการเบียดเบียนเราและก็เบียดเบียนเขาในชั้นที่สอง ก็ยายามสร้างความรู้สึกต่อไปว่าความไม่เราเป็นเขานั้นที่จริงก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมโลกกันตลอดถึงร่วมครอบครัวไปเรื่อยๆจนกลายเป็นร่วมโลกรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่และคนนั้นก็มาสายโลกนี้อยู่แล้วก็จากโลกนี้ไปเรามาดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ปัญหาใหญ่ในชีวิตจึงอยู่ที่ทำอย่างไรจึงเรียกว่าอยู่ดีได้เพราะว่าช่วงอยู่นั้นมีความแตกต่างกันคนที่อายุยืนก็อยู่ในโลกนี้นานหน่อยคนที่อายุน้อยมันก็อยู่น้อยหน่อยแต่ว่าการอยู่ให้ดีนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงกวัานี้เพ่นสังเกตว่าหลักของการครองชีวิตสมบุกสมบูรณ์แต่ละคน จ็นำไปสู่การครองเรือนครองความสุขและเกี่ยวข้องกับคนต่างๆอีกเป็นนั้นมากนั้นพระพุทธเจ้าทรงวางหลักธรรมะสมหรับผู้ครองเรือนเอาไว้เพียงสี่ข้อคือมีสัจจะอยู่ภายในใจถ้ามีสัจจะในตัวเองจะทาอะไรจะพูดอะไรหรือจะคิดอะไรในเรื่องที่ดีๆ ก็ต้องทำให้ได้ต้องพูดได้ได้แล้วต้องคิดได้ได้แต่ในส่วนที่ไม่ดีก็ต้องมีความจริงใจเพื่อการสมาทานศีลของท่านสาธุชนทั้งหลายนั้นที่จริงแล้วทักาขะาสัจจะแล้วก็รักษาศีลไม่ได้เพราะเมื่อสมาทานไปแล้วเราก็ไปอยู่ส่วนตัวของเรา ไม่ีใครไปรู้ว่าเราสมาทานสีนมาหรือไม่สมาทานสีนมาการรักษาศีลการสารวงรวังในศีลก็เป็นเรื่องของสัจจะภายในใจของบุคคลผู้นั้นเนื่องจากเป็นความสมัครใจปฏิญาณของเราคือสมาทานศีนมาเองในจุดนี้้าเห็นว่าจะเห็นว่าถ้าเสียสัจจะมันก็รักษาศีลไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าสัจจะยังมีอยู่ศีลก็ต้องมีอยู่เพราะการสมาทานศีลเป็นเรื่องของสัจจะปฏิยานที่มีการรัตนาศีลมีการให้ศีลมีการสมาทานศีลมีประจักษ์ปยานบุคคลอยู่เป็นนั้นมากแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้ตามไปตรวจสอบใครต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปก็อยู่กันตามสถานะ นันากาศเจาะภายในใจนก็รักษาศีลไม่ได้เจาะบางอย่างเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งมากเกินไปกว่านั้นมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับคนอื่นมีผลได้ผลเสียต่อคนอื่นคนอื่นมีส่วนร่วมในเ จ, จาะเหล่านั้นอยู่ด้วยหมายความว่าถ้ารักษา รักษาสัจจะตรงนี้ไว้ได้มันก็คือกูรทั้งเกตตนและคนอื่นแต่ถ้าากเาเสียสัจจะหรือไม่มีสัจจะก็เป็นการทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนั่นก็คือสัจจวาจากับสัจจปฏิยานสัจจวาจาก็คือการพูดการสนทนากัน การตกลงนัดหมายอะไรกันซึ่งจะต้องใช้ความจริงทางวาจาให้ปรากฏในช่วงที่เราพูดนั้นที่จริงเป็นช่วงสั้นๆแต่ช่วงรักษาสัจจะเป็นช่วงยาวพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำมาลีว่าให้ตามรักษาสัจจะ ค่อมรนความสัจจะที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านการเปลาบไปเราจะอา จ, อาจจะพูดวันนี้แต่พรุ่งนี้ก็ต้องรักษาสัจจะพรุ่งนี้ไม่ต้องพูดแล้วแต่ว่าสัจจะที่พูดไว้ก็ต้องรักษามาื่อวันนี้ก็ต้องรักษาโดยไม่ต้องพูดอีกสัจจะบางอย่างอาจจะต้องรักษาหลายสิบปีหรือบางเรื่องก็ต้องรักษากันตลอดชีวิต ถ้าเดินเรื่องเป็นการรักษาช่วงสัส้นเช่นสมมุติว่าเรานัดหมายไว้จะไปพบกับเขาตรงนั้นตรงนี้ในเวเานั้นเบเนี้เมื่อไปพบแล้วก็จบ ก, กันสแสดงว่าสัจจะต่อไปก็ไม่ต้องรักษาแล้วเฉพาะกรณีนั้นแต่เราก็มีสัจจะข้ออื่นต่อไปเราจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กดนั้นขดนี้เราให้แล้วมันก็จบ ถือรักษาสัจจะไว้ได้แล้วเพราะนั้นตามปกติสัจจะวจาจึงรักษากันไม่ต้องนานก็ได้พอข้อตกลงนัดหมายเหล่านั้นได้ปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์ก็ถือว่าจบธามาในช่วงนั้นเราได้ปฏิบัติแล้วถูกต้องแล้วจะมีสัจจะอีกประ ก, การหนึ่งที่เรียกว่าสัจจะปฏิยาน เป็นการประกาศเป็นการยืนยันสถานะของตัวเองหรือภารกิจของตัวเองที่จะต้องประพฤติปฏิบัติได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องรักษานานโดยไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเป็นการปริญาณตนว่าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอันเป็นศิษย์ หรือเปล่งวาจวาพระุทธังสนังกชามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งทีริลึกธรรมังสนังกฉามิเขาถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งทีริลึกสังขังสนังกชามิก็ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทีริลึกเห็นว่ามีลักษณะเป็นสัจปฏิญ า, ทานท่านมองคล้ายๆกับสาบานตนแต่เป็นการประกาศสถาบานันสาบานตนต่อหน้าพระรัตนณ์ใจ ต่อสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าในลักษณะคล้ายๆกับสัจจะปฏิญาณสาบานตนตรทรงใช้เสริมพลของทหารทั้งหลายสมรสสาบานตนไปแล้วก็ต้องรักษาตลอดชีวิตของความเป็นทหารสัจจะปฏิญาณในแนวนี้จึงไม่จำกัดด้วยเวลาว่าเมื่อไรจึงจะเลิกได้เพราะถ้าเลิกวันไหนมันก็เสียสัจจะวันนั้น ัสัจจปฏยาณจึงมีแนวที่ลึกซึ้งจะต้องผ่านการตรวจสอบการคิดด้รอบคอบเสียก่อนเราควรจะให้ปฏิยานหรือไม่ให้ปฏิยาณไปช่วงปฏิยานที่จริงก็สั้นๆนับไินาทีแต่นั้นเด็กแต่ช่วงรักษาจะยาวจะตลอดชีวิตของเราซึ่งบางครั้งเป็นการปฏิยานกับบุคคลอื่น เช่นจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดชีวิตจะทำงานร่วมกันตลอดไปเป็นต้นเราจะเห็นว่าเป็นความผูกพันตลอดชีวิตความผูกพันคำว่าตลอดไปทําให้ชีวิตทั้งชีวิตนั้นจะต้องรักษาสัจจะไว้แต่แม้แต่คําว่าตลอดไปเองมันก็ถูกไม่ถูกจํากัดด้วยเวลาว่าเมื่อไหร่จะจบ ก, กันมันก็ต้องตลอดไป เพราะโดยวิธีนี้ท่านที่ต้องการรักษาสัจจะท่านจึงไม่พูดอะไรในตำานองผูกมัดไว้มากนักบางครั้งเราอาจจะเสียสัจจะก็ได้อาจจะสุดวิสัยอะไรขึ้นมาก็ได้มันจะมีข้อแม้ไว้ในส่วนในสุดหนึ่งซึ่งหมายความมารักษาสัจจะไว้ได้ด้วย แต่เผื่อมีปัญหาสุดวิสัยเราก็ไม่เสียสัจจะด้วยดังนั้นมักจะพูดว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนี้อะไรทำนองนั้นแต่ในขณะดเดียวกันเราทอนถึงความไม่บั่นคงแนวหลักๆท่านจึงใช้แนวที่ไม่มีข้อแม้ทางการประกาศตนถึงพระตนไตรัยดังกล่าวเราก็ไม่มีข้อแม้ เป็นการมอบกายถวายชีวิตของเราไว้ต่อพระตรัสใจผลสุ้เปล่งปฏิญญาณมันก็สั้นๆแต่ช่วงรักษาน่จะยาวยืดดำเนินเป็นเรื่องของสัตยาทิฏฐานหรือสัจจาทิฏฐานเอนี้เป็นเป็นเป็นการกระทาด้วยจิตสานึก คือสติสัมปชัญญะความเพียรพยายามของบุคคลนั้นเองแต่จะต้องเป็นสัจปฏิยานสัจญาทิศฐานหรือสัสจจาทิศฐานในลักษณะที่ผ่านการการันกรองมาแล้วไม่ใช่ว่าตั้งกันง่ายๆคนนี้รปสังเกตว่าพระพูทมพระาคกเจ้าของเรานั้น ก่อนจะสรู้เป็นพระพุทธเจา้าทรงตั้งสัตยาธิฐานไวเพียงสองครั้งเท่านั้นเองครั้งแรกก็คือต้องเสด็จออกปนโนท์ให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามต้องเสด็จออกพนุษย์ใ้ได้แล้วเมื่อปนุษยเสร็จแล้วก็ถือว่าจบสัตยาธิฐานตรงนี้ก็จบไปแล้วก็ตั้งใหม่ในเรื่องการแสวงหาคนว่า ต่การเสวงหาคนควานันเราไม่รู้อะไรมันถูกต้องหรือไปถูกต้องไปตั้งไม่ได้พอจะศึกษายในสำนักนี้ตลอดชีวิตจะเนี้ยไปตั้งไม่ได้พอเราไม่รู้สำนักนี้จะให้อะไรหรือไม่ในช่วงการเสวงหาก็ไม่ได้ตั้งสัตยาทิศฐานหรือแม้แต่สัจจะปฏิญาณแต่ประการใดแต่พอสมแน่พระไตยว่าจากหลักที่รมคิด คนสรุปรวมเป็นแนวของการค่อยๆพัฒนาจิตขึ้นไปด้วยระบบของณาปานสติกรรมฐ า, านจนผ่านขั้นตอนของสมาธิบรรลุฌานแล้วก็ใช้พลังของสมาธิที่มีสมาธิกอุเบกขาพิจารณาข 5, ันธ์หาเห็นความจริงตามประตัยลักษณ์ จนเกิดยานผุดขึ้นภายในประทยรู้อริย ส, สัจสตาทำความเป็นจริงถ้าเดินไปได้ตามนี้ก็จะสามารถบรรลุพักผลได้พพเพราะสัจปริยานจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นสัตยาธิฐานจะเกิดขึ้นในช่วงนี้คือก่อนที่จะจัดสรุป ที่ทเรียกว่าเป็นรูปของจารตรงค์ธรรมหาประทานคือความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่มีทั้งสัตยาทิฏฐานมีทั้งความเพียรที่สมบูรณ์พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะคือใช้สติสัมปชัญญะมาอย่างรอบครอบแล้วโดยทิฏฐานภายในพระทไทยไม่มีใครรับรู้การอัตนะิฐาน เพราะแม้เลือกเนื้อในกายเราจะเกิดแห้งไปยังเหลือแต่นางเอ็นกระดูกก็ตามทําให้สรจโรก็จะไม่ลุกขึ้นจากอารสนะเป็นการอาธิษฐานในลักษณะมีทางให้เลือกอยู่สองทางคือถ้าไม่ตายก็ ส, สรจโรถ้าได้สัจโรก็ไม่ต้องตายในขณะนั้นแล้วในที่สุดก็ ส, สรจโรเพราะสัจจะจึงกลายเป็นฐานในการดํารงชีวิต ทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิตนั้นจะต้องมีฐานของสัจจะอยู่ถ้าขาดความจริงสัอย่างมันก็ไปไม่ได้บางครีบางบางครั้งเป็นรูปของสัจจะปฏิญญาซึ่งก็มีกฎเกณฑ์มีหลักการในเกี่ยวกับปฏิญญาเหล่านั้นแล้วเสร็จแล้วก็แต่ละคนร่วมกันรักษา เช่นปติญญาสาโกนโดยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นส่วนมากแล้วจะผ่านการกัน่นกรองการประชุมร่วมการพิจารณาของคณะบุคคลทั้งหลายเป็นนั้นมากแล้วก็ออกมาเป็นรูปของปติญญาใครเห็นตามคล้อยตามหรือบางครั้งก็ถูกบงังคับให้เห็นตามคล้อยตามจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เหล่านี้ คำนองใกล้ๆกับปตัตยญาสากลวรวยสิท ธ, ธิมนุษสิชนเป็นเรื่องที่ชาติต่างๆที่รวมกันเป็นองค์การสัพพิชาติก็ช่วยกันคิดพินิจพิจารณาแล้วก็ร่างกันขึ้นยกร่างกันขึ้นแล้วในที่สุดก็ให้สัตยาบันรูปกันพอจะประพฤติปฏิบัติตามนั้นเผ่าก็จริงแล้วมันก็มีคนทำได้ปังไม่ได้ปังก็สสุดใหญ่ก็ทาไม่ได้ เพราะแน่เหล่านี้จะสร้างขึ้นมาเป็นรูปโคงอุดมการ์ที่ค่อนข้างสูงซึ่งการฏิบัตินั้นจะต้องใช้ความประยัดมากแต่ก็มีเงื่อไขปัจจัยที่เข้ามาตัดรอนอะไรอีกเป็นอันมากทําให้คนทําไม่ได้แต่บางทีก็ไม่อยากทําไม่ต้องการทํารู้สึ ก, กว่าตนเองจะสูญเสียผลประโยชน์ก็แสดงว่าขาดจิตสานึกขาดสติสัมปชัญญะที่พิจารณาคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น แต่สัจจะเหล่านี้ไม่ใช่ตั้งไปในเรื่องของการทำความชั่วแต่ตั้งไปเฉพาะในการกระทำความดีเท่านั้นในเรื่องของความชั่วสามารถตั้งสัจจะได้เพื่อจะงดเว้นความชั่วเพราะแนวศีลท่านจะเห็นว่าเป็นการตั้งสัจจะแนวงดเว้นความชั่วบางคนยึงอธิษฐานศีล คือศีลโดยหลักจริงๆเนี่ยไม่ต้องสมาทานก็ได้อธิษฐานเราก็ได้ตั้งใจงดเว้นในขณะนั้นๆก็ได้จะเด็นเพื่อนชวนดื่มเหล้าก็มองเห็นโทษของการดื่มเหล้าแล้วงดเว้นไม่ดื่มมันก็เป็นศีลในขณะนั้นเห็นสัตว์ที่น่าฆ่าแตง่งดเว้นไม่ฆ่าก็กลายเป็นศีลในขณะนั้น เห็นทรัพย์ที่ควรจะลักได้แต่เกิดความสำนึกละอายขึ้นมาก็ไม่ยอมลักมันก็กลายเป็นศีลในขณะนั้นมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่เ อ, อื้อต่อการร่วงละเมิดทางประเวณีได้แต่ก็มองเห็นโทษของการกระทําเช่นนั้นแล้วงดเว้นไม่ประพฤติกระทบมีเรื่องที่ถ้าโกหกแล้วตัวเองจะได้สถานะได้ผลประโยชน์ต่างๆ จะเห็นโทษของการกระทำเช่นนั้นก็งดเว้นเอาจะเห็นได้ว่าศีลในลักษณะนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นวิรัตคือการงดเป็นเหมือนกันคือสัมปัตตวิรัติการสมาทานจึงเป็นเพียงรูปแบบเป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองจะ ต, ต้องการให้คนอื่นรับรู้เป็นสักขีพยานใล้ๆกับให้คอยช่วยกระตุ้นเตือน แต่ว่าจริงแล้วก็อยู่ที่สัจจะของบุคคลเหล่านั้นเป็นหลักไม่จะอยู่ที่ผู้ให้เป็นหลักหรือเพื่อนฝูงที่รับรู้เป็นหลักในการปฏิบัติพัฒนาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกปรือเพราะ ง, งั้นจึงทรงใช้ธรรมะที่เรียกว่าธรรมะพยายามฝึกปรืออบรมบ่มเพาะสิ่งดีงามขึ้นไปในจิตใจตัวเอง ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งโดยเนื้อหาจริงๆแล้วคนทุกคนนั้นมีธรรมะอยู่แล้วท่านจะเรียกว่าธรรมธาตุคือเชื้อของธรรมะนั้นมีอยู่แล้วแม้แต่เชื้อของนิพพานเราก็มีกันอยู่คนเป็นนั้นมากที่มีเชื้อเหล่านี้ดี สามารถที่จะข่มใจห้ามใจตัดกระแสของกิเลสความโกรธความริษยาที่บงังเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นได้พากลายเป็นนิพพานอ่อนๆในขณะนั้นจึงอาจจะหายไปสักหลายชั่วโมงเป็นวันเป็นห ล, หลายวันก็ได้เช่นใครทำให้โกรธแล้วเราก็เกิดสติสัมปชัญญะพิจารณาอินทษของความโกรธแล้วไม่โกรธต่อ ก็ดับความโกรธได้ความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากความโกรธเป็นเหตุมันก็ดับตามไปด้วยหังการปฏิบัติแด น, นี้จึงอยู่ที่ฝึกเพิ่มขึ้นให้ปริมาณของความดีงามนั้นเพิ่มขึ้นเราสามารถใช้ใ้สอบคล้องกับลักษณะของอารมณ์ที่เราเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆ ซึ่งแสดงเห็นได้ว่าธรรมะแม้จะทรงแสดงแก่แน่ไวเป็นนั้นมากก็ไม่ได้หมายความว่าเราใช้ธรรมะตลอดคือใช้ธรรมะทุกข้อตลอดเวลาแต่ในโอกาสในกาลในเทสะในกลุ่มคนในบุคคลซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปในกรณีที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ใช้ธรรมะสอดคล้องแก่เรื่องนั้นๆเท่านั้ น, น, นแต่ถ้าธรรมะมันเกิดเป็นฐานใจคิมาได แลกลายเป็นรูปของอัตโนมัติจุดสมบูรณ์จริงๆแต่เรามองที่จุดสมบูรณ์จริงๆคำแปลว่าอารหังนั้นแปลว่าไกลจากกิเลสแต่จริงตัวกระตุ้นกิเลสนั้นมีอยู่รอบตัวพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายก็คงเห็นรูปสวยๆเสียงไพเราะรกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องจะเดียวกับคนอื่นแต่ว่า ภายในพระไทยไม่มีกิเลสสิ่งเหล่านั้นมากก็ไม่กระตุ้นกิเลสเกิดปัญญารู้เท่าทันเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นแม้จะมีตัวกระตุ้นมันก็ไกลจากกิเลสเ่านันเพราะน้คนที่มีธรรมะที่ท่านเรียกว่ามีธรรมะคือธรรมะในภาคปฏิบัติทุกข้อเนี่ยพระเจ้าจะใช้คาว่ามีหมด มันก็เหมือนกับมีเงินมีความรู้มีฝีมือนันอยู่กับเราตลอดไปแล้วเราใช้ได้เราใช้ความรู้ในเรื่องเหล่านั้นได้ตลอดไปแต่ที่น่าสังเกตว่าความรู้เรายิ่งใช้ยิ่งเพิ่มธรรมะก็มีลักษณะเดียวกันคือเรายิ่งใช้จะยิ่งเพิ่มขึ้นมันผิดกับสตางค์มันผิดกับการเวลามันผิดกับทรัพย์สินเงินทองหลอกอื่นทึ่เราใช้ ก็ยิ่งเสื่อมยิ่งหมดไปแต่ธรรมะความรู้ปีมือความสภาพต่างๆยิ่งใช้มันยิ่งเพิ่มเราดูง่ายๆแล้วก็ใล้ๆกับพวกนามารำเนี่ยยิ่งใช่ยิ่งเพิ่มรูปธรรมมันยิ่งใช่ยิ่งลดยิ่งเสื่อมตอนนั้นจึงต้องมีใช้ถ้าไม่มีใช้มันก็ใช้ไม่ได้ เพราะไม่มีให้ใช้จึงทรงสอนไว้บางทีเดเราก็เห็นว่ามันจะเป็นเงื่อนไขอย่างนี้เพราะพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพธรรมเมือนร่มใหญ่ป้องกันคนไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกคือประเด็นสำคัญว่ามีร่มหรือไม่มีร่มถ้าไม่มีร่มมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้ามีร่มมันก็ต้องกั้นร่ม เพราะถ้าไม่การนร่มร่มก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแล้วเมื่อกั้นไปแล้วร่มก็จะป้องกันคนไม่เปียกเปียกฝนได้ต่อมาปฏิจจบัติก็มีแล้วในแนวนั้นแต่ทีนี้ถ้าเรามีเป็นฐานอยู่ก็ทํานองใล้ๆเราเดินกันนมม้นร่มไปฝนตกมาเราก็ไม่เปียกไปโดยอัตโนมันติที่ดานอุปน ม, มา สมัยโบราณมากุปประมาณดู ง, ง่ายๆมีสระใหญ่ๆมีแม่น้ำใหญ่ๆในนวดสระที่ใหญ่มีน้ำมากๆมีน้ำใสไม่ขุดปัวมันก็เหมือนก็ะถันใจของคนที่มีธรรมะอะไรจะตกลงไปในสระนั้นแม้จะทำความคุดมัวให้เกิดได้ชั่วขณะก็ตามแต่ในที่สุดก็จะถูกสลายไป ใจที่มีธรรมะไม่ว่าจะเป็นสติสัมปชัญญะจะเป็นเมตตาจะเป็นอะไรก็ตามที่จริงแล้วเราอาจจะพูดธรรมะเพียงข้อดเดียวแต่ที่จริงแล้วเมื่อมีธรรมะข้อหนึ่งในธรรมะข้ออื่นก็เป็นอุปการะข้าสนับสนุนด้วยสมมติเรามีเมตตาในขณะที่เรามีเมตตาเนี่ยเราก็มีความเพียรพยายามที่จะรักษาเมตตา แล้วก็มีความอดทนเมื่อมีสิ่งมากระแทกกระทันให้สูญเสียเมตตาเรามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้เห็นคุณของเมตตาพยายามประครับประคองรักษาเมตตาเอาไว้ในขณะเดียวกันใจมันก็พร้อมจะกรุณามุติตา อ, อุเบกขากรมีการวิจัยสอดส่องดูจิตของตัวเองว่าเมตตาจริงหรือไม่เมตตาจริงเป็นต้นธรรมะต่างๆมันเกิดขึ้นอีกเป็นนันมากแต่เขาไม่พูด เพื่อ้พูดแล้วเราจะเห็นม า, มากๆธมะแนวปฏิบัตินั้นพูดแม้เพียงข้อเดียวแต่กระเทือนไปทั้งหมดแล้วไม่ใช่กระเทือนเท่านั้นคือกระเทือนไปถึงข่ายตรงกันข้ามคืออกุศลอกุศลเองก็จะลดไปโดยอัตโนมัติเมื่อปริมาณของธรรมะเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะมีกำลังได้มันก็ต้องผลปรือ ในช่วงที่ฝึกเปลืออยู่นั้นเองเราก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างกระตุต้นโลภะบ้างโทสะบ้างราคะบ้างโมหะบ้างก็กระตุ้นไปเรื่อยๆไอตัวกระตุ้นไม่มีอยู่ทุกวันแล้วบางเรื่องเราก็หาหาเรื่องให้เขากระตุน้นเช่นไปหาภาพยนตร์ที่กระตุ้นราคะมาดูกระตุ้นโทสะมาดูกระตุ้นความรุนแรงมาดู เข้าไปรับรู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุคคลที่มีความรุนแรงที่จริงถ้าเราอยู่ในที่อื่นกิเลสมันก็ไม่เพิ่มแต่ปรเีเราวิ่งเข้าไปหาเขาไปคาเห็นไฟร้อนมันก็วิ่งเข้าไปให้ร้อนมันก็ร้อนจะได้ฟันท่านยิงสอนให้รู้จักข่มใจห้ามใจตัวเองบางครั้งใจไปแวบคิด จะทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนั้นยังไม่ได้ทำอ่ะแต่ความคิดนั้นทําให้ใจขุดมัวซ่อมมองแล้วเราก็ทรงสอนให้พยายามที่จะห้ามใจตัวเองอย่างนี้เค ย, ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับรถชีวิตคนเนี่ยพระเจ้าบางครั้งท่านก็เรียกว่ารถเรียกว่าส ร, รีระยนต คือรถที่จะให้ความสวัสดีแก่บุคคลได้นั้นนอกจากความสมบูรณ์ในตัวของรถเองแล้วการขับเคลื่อนรถนั้นจะต้องถอยได้เลี้ยวได้หลบได้แล้วก็เร็วได้ช้าได้แล้วชะลอได้แล้วก็หยุดได้ประเด็นสาคัญว่าถ้าปฏิบัติสอดคล้องแก่กรณีนั้นๆในกรณีที่ควรหยุดก็หยุดในกรณีควรเลี้ยวก็รเลี้ยวควรหลบค็หลบควรเร็วก็เร็วคนช้าก็รรกช้าคนจอดก็จอด เราก็ได้ประโยชน์จากรถนั้นแต่ตรงนี้ทําไม่ได้สักจุดหนึ่งเช่นในกรณีที่จะหยุดไม่ยอมหยุดคือหยุดไม่ได้อุบัติเหตุมันก็เกิดได้แล้วมันจาเป็นจะต้องพูดไปหลายๆเรื่องเพราะการหยุดรถซึ่งเป็นคันใหญ่เราก็หยุดได้วราหยุดความคิดบางอย่างที่เพร่กิเลสนั้นต่อจานี้ไปเขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขตอ่อไป